การบวชพระกร็เป็นการก้าวเข้าสู่ร่มโพร่มใสก้าวสู่ทางแห่งมรรคที่พระบรมศาสดาได้ทรงดำเนินและได้ทรงนำเอามาเผยแผ่ให้แก่สัตวโลกคูยได้สะสมบุญบารมีมาพอเพียง ถ้ายัางไม่ได้สะสมบุญบารมีมาพอเพียงถึงแม้จะอยากจะบวชก็จะยังไม่สามารถบวชได้ผู้บวชได้จึงถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมีวาสน า, ม, ามีบารมีมากจึงควรให้ความสำคัญต่อการบวชต่อการปฏิบัติ ตามหน้าที่ของนักบวชตอนที่เราเป็นฆระวาสหน้าที่หลักของเราก็คยอยือการให้ทานกับการรักษาศีลห้าพอเรามาบวชแล้วหน้าที่หลักของเราก็อยู่ที่ศีลแปดและภาวนาทานนี้เราก็ให้หมดแล้วในบรรดาวัตถุเข้าของเงินทอง บุคคลต่างๆเราไม่ต้องกัวงวลเกี่ยวกับเรื่องการให้ทานนอกจากว่าเรายัางมีเหลือกินเหลือใช้และไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของเราเราก็ให้ได้แต่หน้าที่หลักของเราในตอนนี้อยู่ที่การรักษาสิ้นแปและการภาวนา ทำจิตใจให้สงบแล ะ, จะเจริญปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจิงในสภาวะธรรมทั้งหลายว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวเราหรือของเรานี่คือหน้าที่หลักของเราอยู่ตรงนี้งานที่นักบวชที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้ ก็เรียกว่ากรรมฐานเวลาที่บวชนั้นอุปชาจะต้องสอนกรรมฐาน5คืออาการ5้าส่วนของร่างกายที่เห็นด้วยสายตาเช่นผมขนเล็บฟันหนังนี่เป็นอาการที่มีอยู่ในร่างกายของคนทุกคนแต่ไม่ใช่เพียงแต่ให้ พิจารณาเพียงหาอาการนี้เท่านั้นท่านให้พิจารณาทั้ง32อาการเลยเพียงแต่ว่าในเบื้องต้นกะสอนแบบสั้นๆให้เริ่มต้นที่ผมขนและฟันหนาต่อไปก็ให้พิจารณาเข้าไปทั้งในใต้ผิวหนังเช่นเนื้อเอ็นกระดูกหับไตปอดหัวใจหลังสตอาหารใหม่อาหารเก่าและ น้ำชิดต่างๆน้ำเลือดน้ำหนองเป็นต้นเพราะอาการทาสองนี้เป็นความจริงของร่างกายเป็นความไม่สวยงามของร่างกายที่สัตว์โลกมักจะมองไม่เห็นกันที่ต้องติดอยู่กับการยืนไหวตายเกิดในการมาพบก็คือความหลงติดอยู่ในรูป ของร่างกายนี้เองว่าสวยว่างามนักบวชผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจึงต้องพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นถึงความเป็นจริงของเขาว่าเป็นปฏิกูลคือเป็นร่างกายที่มีแต่สิ่งสุก็รก ปฏิกูลเช่นที่ขับถ่ายมาตามทวารต่างๆและเป็นอสุภาไม่สวยงามมีอาการที่น่าขยะขย้งต่างๆเพียงแต่ถูกผิวหนังปกปิดหุ้มห่อไว้จึงทำให้มองไม่เห็นทำให้เห็นว่าเป็นรูปร่างที่น่าสวยงามน่ารักน่ายินดี จึงเกิดความกำหนัดยินดีเกิดราคะเกิดตัณหาขึ้นมาทำให้ต้องดิ้นลนสแสวงหากับร่างกายต่างๆมานับไม่ถ้วนไม่รู้กี่พบกิชาติแล้วและถ้าไม่ได้เจริญกรรมฐานคืออาการ32นี้ก็จะหลงติดไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด นั้นหน้าที่หลักของนักบวชก็คือการพิจารณาอาการ3าสของร่างกายให้เห็นว่าไม่สวยงามว่าเป็นสิ่งที่สกปรกมีปฏิกูลขับออกมาจากร่างอยู่ตลอดเวลาในถารจากในวาวรต่างๆนี่คืองานหลักเรียกว่าเป็นปัญญาเป็นวิปัสสนา ด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงก่อนที่จะพิจารณาก็ให้ทําจิตใจให้สงบก่อนด้วยหลักของสมถะ ภ, ภาวนาจะใช้การสวดมนต์ไปก็ได้จะนั่งหลับตาโดยรมพุทโธพุทโธไปก็ได้หรือจะพิจารณาอาการ3 2มไปก็ได้เพียงแต่เบื้อมต้นก็กําหนดชื่อเขาไปก่อน ท่องไปในใจผมขนได้ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอวัยวะต่างๆ mm hmm. เช่นปอดหัวใจตับไส้อย่างนี้สามารถใช้เป็นอารมณ์ของสมถะคือความสงบของจิตได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในอิริยาบถใดทำอะไรเราสามารถเจริงกรรมฐานหได้กรรมฐานห้าหรือกรรมฐาน32ได้อย่างต่อเ น, นื่อง อย่าส่งจิตไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่กับเรื่องแบนี้อยู่กับพิธโธรก็ได้อยู่กับอาการ32ก็ได้หรืออยู่กับใต้ลักคืออนิจจงทุกขังอนัตตก็ได้หรืออยู่กับดินน้ำลมไฟก็ได้เพราะร่างกายนี้ก็มาจากดินน้ำลมไฟแลาในที่สุดก็จะต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟถ้าจิตใจคิดอยู่กับเรื่องแบรนี้จิตจะสงบ จะเย็นจะสบายจะเกิดปัญญาจะตรงจะวางจะปล่อยจะดับกิเลสดับปัญหาได้นี่จึงเป็นเหตุที่พระศาสดาได้สรงมอบให้กับพระอุปชาทุกรูปสั่งสอนกุ่ระบุผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายผู้ที่ออกบุญให้สอน กรรมาฐานห้าในเบื้องต้นดังนั้นขอให้ถือว่านี่คืองานหลักของเราก็คือการภาวนาและการรักษาสีลนสินแปนี้มีไว้เพื่อสนับสนุนการภาวนาเพราะเมื่อมีสินแปแล้วใจก็จะสงบอยู่ในระดับหนึ่งไม่ว่าวุ่นขุนโมกับการสแสวงหาลูกเสียงกลิ่นรสปวดตาพภะชนิดต่างๆ แน่ น, นเรถศีลอภพ ร, รมจจายาซึ่งต่างจากศินห้าของการวาที่ถือการเมสุมิชาจาราการเมนี้เพียงแต่ละเว้นจากการเสด็จการกับผู้ที่ไม่ใช่เป็นผู้คลองของเราแต่อัรรมจจายานี้คือละเว้นจากการเสษการเลยทีเดียวไม่นอนกับใครติดต่อไป และไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นรับประทานอาหารก็รับเพียงแต่เพื่อให้ร่างกายได้อาหารเหมือนกับรับประทานยาไม่ได้รับประทานเพราะรสชาติเพราะความสวยงามของรูปของอาหารรับประทานเพื่อ ย, ยารักษาร่างกายให้อยู่เนวัหนึ่งและรักษารับประทานพอพอประมาณ ไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปรับประทานสองมื้อก็ได้แต่ไม่เกินเที่ยงวันไปแล้วถ้าจะปฏิบัติให้เข้มข้นขึ้นไปต่อไปก็จะรับประทานมื้อเดียวหรือในบางเวลาอาจจะงดอาหารทักสองสามวันก็ได้เพื่อเป็นการเร่งความเพียพราะจิตเวลาถ้าร่างกายไม่ได้รับประทานอาหารมากจิตจะมีสติดี จะไม่ง่วงเหงาเหานอนจะไม่เกลียดคลารจะมีความขยันที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสติอยู่ตลอดเวลาและละเว้นจากการหาความสุขจากเสื้อผ้าอาอรหรือเครื่องสำอางต่างๆน้ำหอมต่างๆเป็นต้นเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ าชาบสวยหรือเปความสุขที่ไม่ท้าวรให้หาความสุขจากการทำจิตใจให้สงบดับกิเลสดับปัญหาและให้ละเว้นจากการหาความสุขทางรูกเสียงกลิ่นรสโกดตะเภาเช่นการดูหนังฟังเพลงเป็นต้นหรือออกไปเที่ยวตามสถานที่ทต่างๆถ้าจะออกไปนอก ที่อยู่อาศัยก็ควรจะไปเฉพาะการณีที่จำเป็นเราจะไปเพื่อไปดูไปฟังไปเที่ยวเพื่อให้คลายความหงุดหงิดํำคาญใจอย่างนั้นไม่ใช่เป็นวิธีคลายความหงุดหงิดลำคานใจเพราะจะคลายได้เพียงชั่วคราวเวลาออกไปก็ดีออกดีใจไปเหมือนไก่บินแต่พอกลับมาก็เหมือนถูกหากิน กลับมาแล้วก็หน้าตาซึมเศร้าต้องจับขังตัวเองเข้าไว้ในกล่องวิธีที่จะดับความหงุดหงิดลำพานใจว่าเวใจก็ให้เจริญกรรมาฐานห้านี้หรือให้เจริญสมะถะภาวน า, าทำจิตใจให้สงบพอจิตสงบแล้วอารมณ์ต่างๆเหล่านี้จะหายไปจะมีความสุขและพอใจกับการอยู่เฉย เรียกว่าอยู่เป็นสุขด้วยธรรมด้วยสมถะภาวนาะเวลาที่จิตสงบก็ให้จิตสงบอยู่นิ่งไม่ต้องไปทําอะไรอยากไปดึงจิตออกมาในขณะที่จิตสงบไปไว้ให้เขาสงบอยู่ไปเท่าที่จะอยู่พอเขาอยู่อิ่มตัวแล้วเขาก็จะถอนออกมาเอง เรก็ช่อยออกมาเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้เดืองเอาความคิดนี้มาคิดในทางกรรมฐานคิดในทางใจลึกคิดในทางดินน้าหนึ่ไปถ้าคิดพิจารณาอย่างนี้สลับกับการทําจิตให้สงบพิจารณาไปสักระยะหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเมื่อยนะอยากจะหยุดหรือพิจารณาแล้วไม่เห็นชัดเพราะมีอารมณ์ มาคอยขัดขวางก็ให้หยุดการพิจารณาแล้วก็กลับมาทําจิตให้สงบด้วยพุทโธก็ได้ด้วยการสวดมนต์ก็ได้หรือ ด, ด้วยการบริกรรมคําว่าผมขนเล็บดบนหนังไปก็ได้ถ้าทําอย่างนี้ได้แล้วรับรองได้ว่าจิตจ ะ, จะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับจนถึงจุด สูงสุดดังนั้นก่อนที่จะยุติการให้สมถานนี้ก็อยากจะขอฝากธรรมะอยู่สองสามประการให้ไว้เป็นเครื่องเตือนใจธรรมะประการแรกเรียกว่าลักษณะตัดสินธรรมวินัยแปดประการคือ ทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความกำหนัดย้อมใจหนึ่งเป็นไปเพื่อความประกอบทุกหนึ่งเป็นไปเพื่อความสะสมกองกิเลสหนึ่งเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่หนึ่งเป็นไปเพื่อความไม่สันโดษยินดีด้วยของมีอยู่คือมีนี่แล้วยังอยากได้นั่นหนึ่งเป็นไปเพื่อความคุกคีด้วยหมู่คณะหนึ่ง เป็นไปเพื่อความเกียดคร้านหนึ่งเป็นไปเพื่อความเลี้ยงยากหนึ่งทำเหล่านี้พึงรู้ไว้ว่าไม่ใช่ทำไม่ใช่วินัยไม่ใช่คําสั่งสอนของพระศาสดาทำเหล่าได้เป็นไปเพื่อความคลายกําหนักหนึ่งเป็นไปเพื่อความปราศจากทุกหนึ่งเป็นไปเพื่อความไม่สะสมกองกิเลสหนึ่งเป็นไปเพื่อความอยาก อนน้ยหนึ่งเป็นไปเพื่อความสันโดษยินดีด้วยของมีอยู่หนึ่งเป็นไปเพื่อความสงบสงัดจากมือหนึ่งเป็นไปเพื่อความเพียรเป็นไปเพื่อความเรียบง่ายหนึ่งทำเหล่านี้เพื่รู้ว่าเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคําสั่งสอนของพระศาสดาส่วนธรรมะประการที่สองเรียกว่ากถาวัตถุ คือถ้อยคําที่ควรพูดสิบประการสิบอย่างคือ 1. อปิฉกะถาถ้อยคําที่ชักนำให้มีความปรารถนาน้อย 2. ส, สันตุติกะถาถ้อยคําที่ชักนำให้สันโดษยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้ 3. ปมตวิเวกกะถาถ้อยคําที่ชักนำให้สงัดกายสงัดใจ สี่ภาษาสัสกกถาถ้อยคําที่ชักนําไม่ให้ละคนด้วยมูคณะ 5. วิริยารัมภกถาถ้อยคําที่ชักนําให้ตารบความเพียน 6. ศีลกถาถ้อยคําที่ชักนําให้ตั้งอยู่ในศีล 7. สมาธิกถาถ้อยคําที่ชักนํา ให้ทำใจให้สงบ 8. ปัญญากระถาถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดปัญญา 9. วิมุตติกระถาถ้อยคำที่ชักนำให้ทำใจให้พ้นจากกิเลสส0วิมุตติยาณทัศนกระถาถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดความรู้ความเห็นในความที่ใจพ้นจากกิเลสนี่คือ คาถาวัตถุถ้อยคำที่ควรพูดสิอยา่างส่วนธรรมะประการที่สารที่จะขอฝากไว้ในวันนี้ก็คือทำที่นักบวชควรพิจารณาเนื่งเมืองสิอย่างคือหนึ่ ง, งบัด น, นี้เรามีเพศต่างจากข้รหัสแล้วอาการกิริยาใดาๆของสมณะนักบวช เราต้องทำอาการกิริยานั้นๆสองความเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายสามอาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้สี่ตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่ห้า ผู้รู้ครควรแล้วติเตียนเราโดยศีนได้หรือไม่ 6. เราจะต้องพัดพลากจากของรักของชอบใจทั้งปวง 7. เรามีกรรมเป็นของตัวเราทำดีจากได้ดีทำชั่วจากได้ชั่ว 8. วันคืนล่วงไปล่วงไปบัด น, นี้เราทำอะไรอยู่ 9. เรายินดีในที่สงบหรือไม่ คุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขินในเวลาที่ผู้อื่นถามในการภายหลังนี่คือคุณธรรมสามประการที่นักบวชควรพิจารณาอยู่แนวเลีย ง, เ, ยงเพื่อจะได้เป็นเครื่องเตือนสติให้ประพฤติตนอยู่ในแนวทาง ที่พระบรมศาสดาทรงสอนให้ประพฤติตบุรุเพื่อการเจริญก้าวหน้าในในธรรมจรึงขอฝากเรื่องคํามทานและเรื่องธรรมะเหล่านี้ให้แก่นักบวชในวันนี้และผู้ที่ปรารถนาจะบวชต่อไปในวันหน้าได้นำเอาอไปพิจารณาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงของยุติไว้เพียงเท่านี้